บัด น, นี้ตกอยู่ในสภาพมึนงงลาดับต้นชนปลายไม่ถูกเขาไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะได้ยินคําพูดเช่นนี้จากบุคคลกลุ่มนี้อะไรที่เป็นจุดบรนดานใจทำให้กลุ่มนายจ้างของเขากล่าวออกมาเช่นนี้ได้รพินมีความรู้สึกที่ไม่อาจจะกล่าวถูกมันอลละมานไปหมดทั้งสมองและในที่สุดก็กลายเป็นความขบขันหัวเราะ อ, ออกมาเบา พลางสายหน้าแช่มช้ายกมือขึ้นขี้ที่สันจมูกของตนเองเอาละครับผมเข้าใจครับเข้าใจในความปรารถนาดีของทุกคนหรือตั้งความหวังหยิบยกเอาความฝันอันสูงสุดของผมขึ้นมาตั้งเป้าหมายไว้เพื่อปลุก ป, ปลอบใจผมแต่ทำไมพวกเราจึงมาพูดกันในสิ่งที่เหลวไหลไร้สาระไม่อาจจะเป็นไปได้นี้ ถึงยังไงก็ตามผมก็ขอขอบใจคริสขอบใจเบร์แล้วก็ขอบใจทุกๆคนครับที่พูดในสิ่งที่ผมไม่ได้เคยบังอาจหวังไว้เลยเท่าเท่ากับที่ไม่เชื่อหูว่าพวกคุณจะพูดหรือหวังกันไว้อย่างนี้ด้วยสเตลลีมีอาการเหมือนจะพูดคำใดออกมาในขณะนั้นแต่คริสสีน่ามองด้วยสายตาปรามไว้สักก่อนตัวหล่อนเองกล่าวกับเขา เหมือนจะเป็นการตับบทว่าเอาเถะคะ่ะพวกเราอาจจะพูดในสิ่งที่ครูคิดว่าเหลวไหลเป็นไปไม่ได้แต่ก็ขอให้ทราบว่าพวกเราภาวนาเอาใจช่วยครูไว้เช่นนั้นก็แล้วกันและถ้ามันเกิดเป็นความจริงขึ้นมาพวกเราก็จะพลอยปราบ ป, ปลื้มเป็นสุขใจไปด้วยทั้งทั้งที่เปอร์เซ็นต์มันอาจจะมีเพียงหนึ่งในล้านหรือหนึ่งในพันล้าน ของโอกาสตามที่เราหวังไวน้นี่มาเข้าหาเรื่องจริงที่เรากำลังปันเิญกันอยู่ในขณะนี้ดีกว่าค่ะครูตอนนี้ครูรู้สึกบ้างหรื อ, อยังละ่ะว่าการเวลาที่มันหยุดไปชั่วขณะระหว่างที่เราเดินทางลงมาที่เนินพระจันทร์เนี่ยขณะนี้มันได้เริ่มต้นเคลื่อนที่ตามจักรราศรีกละเข็มวินาทีของพวกเราเริ่มเดินเมื่อมาถึงตาแหน่งนี้ได้สาเร็จ คำพูดประโยคหลังที่เปลี่ยนเรื่องของคริสติน่าไม่เป็นผลให้รับพินมีอาการชงนหรือแปลกใจอะไรทั้งสิ้นเขาตอบมาด้วยอาการปกติธรรมดาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยว่าเวลามันเริ่มต้นเคลื่อนที่ในทันทีที่เราลงมาถึงเนินพระจันทนระ์เป็นสิ่งที่ถูกต้องไลละ่ะไม่ต้องดูเข็มนาฬิกาเสียเวลาหรอกดูอาการลอยตัวของหมู่เมฆก็รู้แล้ว พวกคุณมารู้สึกถึงการเวลาที่เริ่มเคลื่อนจากภาวะหยุดนิ่งได้เองโดยผมไม่ต้องบอกก็ดีแล้วล่ะแล้วลก็ขอให้ผมได้บอกกับทุกคนไว้เสียเดี๋ยวนี้เลยเพื่อจะได้รู้ล่วงหน้าไว้ว่าบนโนนพร้อมกันเขาก็ชี้มือขึ้นไปยังเทือกเขามั่อคือมาเบื้องหน้าที่บางส่วนถูกบกคลุมไปด้วยแถบของหิมะเป็นริ้วขาวโพลนอยู่ทั่วทั่วไป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 ในข้อที่ว่าพวกชนในดินแดนนั้นเขาพูดภาษาหนึ่งพวกเราก็พูดกันอีกหลายๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยอังกฤษกระเหรี่ยงแต่ทุกคนเมื่อเหยียบไปถึงดินแดนนั้นแล้วไม่ว่าใครจะพูดภาษาอะไรเราต่างฝ่ายต่างจะสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีที่สุดเหมือนเหมือนกับว่าสดประสาทรับฟังของแต่ละฝ่าย มีเครื่องแปลงภาษาติดตั้งเอาไว้ให้พวกเขาพูดภาษากูโบสเขาพูดมาเราเข้าใจได้ทันทีเท่าๆกับที่ฝ่ายเราไม่ว่าใครจะพูดภาษาอะไรเขาก็เข้าใจได้ทันทีเช่นกันรวมทั้งพวกเรากันเองด้วยครับบนนั้นแม้พวกคุณจะพูดอังกฤษและพวกพรานพื้นเมืองของผมจะพูดไทยหรือกะเหรี่ยง ทางฝ่ายต่างก็จะเข้าใจกันได้ดีไม่ต้องมีใครมาคอยเป็นล่ามปลายให้อีกแล้วมรกฏนคคในหุบเขาสิวะมีสภาพเป็นเช่นนั้นจริงๆบอกให้ทราบว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้พวกคุณจะได้ไม่ต้องประหลาดใจเกิดปัญหาขึ้นภายหลังเมื่อไปเผชิญพบเห็นกับสิ่งนี้ครับทุกคนของฝ่ายนายจ้างพากันช ง, งนสนเทไปหมดและได้สอบซักถามเขาอยู่อีกพักใหญ่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 หมดเริ่มต้นศึกษาไว้ก่อนเพื่อเป็นพื้นภูมิเบื้องต้นในทันทีโดยการเรียกพรานพื้นเมืองทั้งสี่ของระพินซึ่งเคยผ่านดินแดนนั้นมาก่อนแล้วในครั้งนั้นมาสอบซักเพิ่มเติมซึ่งแต่ละคนก็บอกเล่าความเป็นไปตามเท่าที่ได้ผ่านพบเห็นมาแล้วโดยไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังกันอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ระพินได้เก็บงามซ่อนเร้นมาตลอดระยะแห่งการเดินทาง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 มองเห็นหนทางที่จะเข้าสู่ดินแดนนั้นได้ปโปร่งแล้วผมก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องปิดบังไว้อีกและที่ผมนำบ่ายหน้ามาที่นครรับแลแห่งนี้ก็เพราะผมมั่นใจผมแน่ใจครับว่าเครื่องบี52พร้อมทั้งระเบิดนิวเคลียสิคมกาตันของพวกคุณตกอยู่ในดินแดนนี้อย่างแน่นอนแล้วเราจะได้เห็นกันครับ ว่ามันจะเป็นไปอย่างที่ผมพูดไว้นี่หรือไม่บอกแล้วว่าพวกคุณจะหาทางกู้ระเบิดกลับไปได้หรือไม่ยังไงนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของผมผมมีหน้าที่เฉพาะนำทางมาเพื่อพวกคุณได้พบเห็นกับตาเท่านั้นว่ามันสูญหายไปอยู่ที่ไหนแล้วเหตุใดการค้นหาของพวกคุณที่กระทํามาก่อนหน้านี้จึงไร้ผลไม่พบวี่แววอะไรเลย จนกระทั่งต้องเจาะจองจิกตัวผมมานำทางครั้งนี้ระพินย้ำคำอย่างหนักแน่นเป็นงานเป็นการไตลีเม้มริมฝีปากแน่นพยักหน้าเนึบเนบการกู้ระเบิดกลับคืนไปได้หรือไม่ยังไงนั้นแบบนี้ผมไม่สนใจละระพินพวกผมต้องการจะมาดูให้รู้เห็นชัดกระตาเท่านั้นแหละ ว่าเครื่องและระเบิดมันตกอยู่ที่ไหนและภายหลังจากเห็นแล้วตลอดจนพยายามแล้วถ้ามันไม่เป็นผลเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะกลับไปรายงานให้หน่วยเหนือของเราเข้าใจได้ยังไงซึ่งมันก็ช่างมันเถอะผมรับผิดชอบเองแล้วงานของคุณก็จะสิ้นสุดลงโดยถือว่าเป็นผลสำเร็จรุล่วงไปแล้วเมื่อนาเราไปให้เห็นเครื่องบีห้าสิบสองลนันกัตาหลังจากนั้น คุณจะกรุณานำทางเรากลับออกไปให้รอดปลอดภัยได้ก็จะถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงต่อไปจนกระทั่งไม่สามารถรอดชีวิตกลับไปได้พวกเราก็ไม่หวัน่นไหนๆก็มากันถึงขนาดนี้ละสุภาพบุรุษไพรยแย้มริมฝีปากออกไปจนเห็นไรฟันทั้งสองแถวซึ่งนานนานครั้งกลุ่มนายจ้าง จะได้มองเห็นความมีอารมณ์ดีแบบนี้ของเขาเสียทีครับแต่แรกเราทั้งสองฝ่ายมีสภาพเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันก็จริงแต่การเวลาทำให้เรากลายเป็นเพื่อนร่วมตายร่วมชะตากรรมไปซะและ้วสัจจะข้อหนึ่งของพรานนำทางที่ชื่อรบพินไพรวันก็คือจะไม่มีวันทอดทิ้งเพื่อนไม่ทรยศหักหลัง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 ทุกคนฝ่ายนายจ้างยิ้มสายตาที่แลมายังเขาเต็มไปได้วยความไว้วางใจและเชื่อมั่นเต็มที่เบนบอกมาปนเสียงหัวเราะว่านี่คุณให้ตายเถอะจริงๆเราก็อยากจะดูคุณทิ้งพวกเราเหมือนกันนะภายหลังที่นำไปให้เห็นซากเครื่องตามข้อสัญญาไว้เสร็จสิ้นแล้วแล้วฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสี ที่ว่าการกำลังจะอำลาจากแล้วโดยการแผ่เงาสลัวมัวมนของราตรีคืบใกล้เข้ามาระพินชูมือขึ้นเหนือสีสักแล้วดีดนิ้วโดยแรงเป็นสัญญาณเตือนให้ลูกหาบและพรานพื้นเมืองทั้งหลายเตรียมตัวเคลื่อนย้ายอีกครั้งพลังหันมาบอกฝ่ายนายจ้างว่าบนนินพระจันทร์เนี่ยเมื่อตะวันตกดินแล้วเราจะพักไม่ได้ครับ เพราะลมมันจะแรงมากน้ำค้างก็จัดมากด้วยบางทีอาจจะมีพายุลูกเห็บด้วยครับเราจะเดินลงเนินไปทางด้านใต้อีกประมาณไม่เกินห้าหนาทีแล้วครับตรงนั้นจะมีช่องหลบสำหรับหลบพักนอนได้ตำแหน่งนั้นมีทานน้ำบริสุทธิ์เล็กๆไหลออกมาจากซอกหินใช้ได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวเราจะไปพักกันที่นั่นสำหรับคืนนี้ใกล้ๆแค่นี้เองครับไปครับแข็งใจอีกหน่อย และทั้งหมดก็เคลื่อนขบวนกันอีกครั้งโดยมีบุญคำทําหน้าที่นำหน้าอย่างคุ้นเคยแม่นยำกับสถานที่มาก่อนดีแล้วพร้อมทั้งหูเป็นทาสานนำหน้าไปก่อนด้วยความยินดีปรีเพรมตามประษาของแกจนรพินต้องตะโกนตะวาต่อไปให้แกหยุดหอนสทีเมื่อนั้นตะคำจึงสงบปากสงบคำลงได้แต่ก็ไม่วายวาดไม้วาดมือราเิบเิบไปพลาง ยิ้มหัวเมียการคิกคกคักๆเหมือนจะมีเล่สันในยังไงชบกนับพิงจุปากเ บ, บาๆอย่างรำคาญใจส่วนเชิดวุฒิเห็นอาการของบุญคำาลุกลิกลุกลิกผิดสังเกตไปก็เดินล้ำหน้าพักพวกทุกคนเข้าไปเคียงคู่ประกบเพื่อหวังจะคุยด้วยป <c oughs> อบุญคำหันมาเห็นคนที่สาวเท้าก็ามาเดินเคียงแกระหว่างที่กำลังบ่ายหน้าลงไปตามร่องเนินด้านใต้ ก็หันมาหัวรอคิกคักด้วยป็นไงลุงคำวันนี้รู้สึกว่าลุงจะมีความสุขเป็นพิเศษนะเชิดบุษทักยิ้มยิ้มแลก็ยักคิ้วให้อ๋อไหนาหารบุษทำไมไม่เดินไกลๆก็แ ม, ม่คริสละมาเดินไหลบุญคำอยู่ทำไม <laughs> แ ม, ม่คริสฉันก็เดินชนไหลล้มลุกคลุกคลานก็เข้ามาแทบตลอดทางแล้ว ก็ใกล้คําวันนี้ขอเดินชนไหลกระลุงหน่อยไม่ได้แล้วไงแกหัวร่อเอิ๊กอักออกมาอีกเอเดินชนไหลก็อีกคํามันจะไปมันอะไรมันไม่กระชุ่มกระชวยช่วยให้กระชึกกระชากแล้วก็ไม่กระชูดด้วยเป็นไงเป็นไงให้ไอ้คำถามมั่งสิไม่ได้คุยกันในทหารบุตรมาหลายเพลาแล้วนี่อะไรของลุงอะที่ว่าเป็นไงเป็นไงอ่ะ มแม่แม่ม่แม่แ ม, แม่ทำเป็นไก่เสือไปได้เหนื่อยยากลำบากกายอิลุ ก, ลกคลุกคลิกเกียนตายมาด้วยกันจนถึงเนินประจัน์นี่แหละสมัครสมานสามารถีรถกันไปถึงไหนแล้วกรแห่มคริสคนงามนั่นนะ่ะตะคำเอียงหน้าเข้ามาหลิวตาถามดือ้อนายทหารหนุ่มอดที่จะหัวเราะ อ, ออกมาเบาๆไม่ได้เป็นความจริงในข้อที่ว่า ตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดวันที่เดินกันอย่างตะลุยหนักที่สุดนี้เขาไม่มีเวลาที่จะได้เสวนาปราัยกะตะเ่าจอมศับปะดูเลยเพราะนอกจากเหน็ดเหนื่อยแทบเหงือเป็นสายเลือดแล้วก็ยังเต็มไปได้วยความเครียดหนักต่อสัพรพปัญหาที่ทั้งคณ ะ, ะเผชิญร่วมกันชนิดพอหยุดพักศีรษะถึงพื้นก็หลับเป็นตายและตาคาก็ไม่ได้มาสูงสิงอะไรกับเขา แตกต่างไปกว่าระยะการเดินทางตอนตอน้ตนๆเพราะแกมีเรื่องที่จะต้องหารือหนักอยู่กระพินตลอดเวลาเหมือนกันเราร่วมเป็นร่วมตายลำบากยากแค้นมาด้วยกันจึงเกิดความรักความเข้าใจความสนิทสนมกลมเกลียวกันทุกคนนั่นแหละไม่เลือกว่าเฉพาะชั้นกระแห ม, มคริสหรือใครกับใครถึงไอ้เจ้าอูทะพะโตสองคนนั่น ฉันก็สนิทกับมันมากที่สุดนในตอนนี้อบ้านายทหารนี่ถามอย่างนึงไปตอบอีกอย่างนึง่งเฮ้เดี๋ยวนี้มีความลับกับไอ้คำแล้วไงเสียแรงเคยหารือกันมาแต่แรกไอ้คำก็ช่วยลุ้นแคตัวโกงไอ้ที่ถามตะกี้นะรู้ความหมายดีอยู่แล้วนี่ว่าถามอะไรชิชิชิ ช, ชิเลี้ยวรถกลบเกลือนอีแบบเนี้ยข่าวหลังจะมาหาเรืออะไรนะไม่รับ บลักษาด้วยหรอกอีกฝ่ายหนึ่งยิ้มจิตจืดเาก็ลุงคำจะถามอะไรยังไงอ่ะถามว่าได้กระชึกกระฉักมั้งหรอย่างไอ้สีราหาคืนมาเนี่ยเห็นนอนติดติดใกล้ใกลันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หรอโธลุงเอาอะไรที่ไหนมากระชึกกระชักเราเหื่อยแทบรักเลือดโอกาสก็ไม่มีเลยถึงจะใกล้ชิดกันต ล, ๆๆตลอดเวลาก็เฮอะ อย่างหนึ่งถึงจะดูภายนอกว่าเราจะใกล้ชิดสนิทสนมกันสักเพียงไหนแมมคริสเขาก็ไม่ได้มีใจอะไรกับฉันนี่โ น, น่นผาไปส่งสายตาปล่อยๆ อ, อยู่กับเจ้านายบุญคำน่นกระซิบพลางเชิดบุตรกระจุปากโคลงหัวชาชาตารมหันมามองหน้านิดนึงยังยิ้มอวดเหงือกคล้ำๆอยู่เช่นนั้นใจเย้ แย yeah, เอาไว้นายทหารมันตื้เข้าไว้เหอะผู้หญิงนทุกชาติทุกภาษามันตายลูกตื้อถึงนั้นแหละก็บุญคําเห็นหิวเห็นกอดเห็นอุ้มเห็นชุดกันอยู่ตลอดเวลาตอนเดินมาด้วยกันนายของบุญคำไม่ได้ไปยุ่งอะไรด้วยเลยมีแต่เดินโถงโถงไปข้างหน้าคนเดียวตลอดการแล้วอีกอย่างหนึง่ง นายของบุญคําก็ไม่จะขู่แข่งกับนายทหารตะกันหน่อยนึงไทยักคิดนักก่นก็อีกเรื่องนึงแต่บุญคําเห็นแหม่ท่าทางจะชอบนายทหารบุ้นมากกว่านะ่าเป็นต่อไหลขุมเวลานอนใกล้ๆกันไม่ได้ทํามือผีอย่างที่บุญคําสอนเมื่อมั่งเหรอว่าแล้วแกก็ทํามือหงิกในท่าล้วงขยุ่มไม่ดูก็ก็เคยทํามั่งเหมือนกันแหละ มันต้องอยังงั้นดิแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นไงเหรอก็ถูกทีไปดิหรือไม่งั้นก็ถูกอัดมาด้วยเขา่าเล่นหน้จุบหน้าเขียวมาหลายทีแล้วบุญคำร้องลั่นออกมาอย่างกำมได้วยความขัดใจเอาเราและลุงอย่าเพิ่งถามเรื่องนี้เลยให้ฉันถามลุงดีกว่านะพลางเชิดวุฒก็แหงนหน้ามองขึ้นไปยังขอบเนินสูง และขุนเขารอบด้านที่แวดล้อมอยู่รอบด้านในขณะนี้กล่าวต่อมาว่ากี่ลุง ก, ก่อนที่เราจะลงมาในทุ่งหญ้าที่ราบต่ำนี่ไอตอนที่เรายืนดูกันอยู่บนหน้าผาสูงมองลงามาเห็นเป็นรูปผู้หญิงนอนอยู่นั่นนะเรายืนกันอยู่หน้าผาตอนไหนนะฉันจำไม่ได้แล้วลุง แต่ถ้าบุญคําบุยปากขึ้นไปทางขอบเนินสูงฝั่งขวามือนูน่นเรานอนดูวิวกันอยู่บนเนินตรงโน่นแหละต้องมองลงมาจากที่สูงถึงจะเห็นได้อย่างที่เราเห็นกันบุญคําก็นึกไม่ถึงนะ่ะว่าวันนี้จู่ๆนายก็นําตัดทางพรวดลงมาโผล่ตรงนั้นพอดีมันเร็วกว่าที่คิดไวมากครั้งก่อนเนี่ย เรามาถึงบริเวณที่ราบตามในหุบนีก่ก่อนแล้วก็ไต่ทางขึ้นไปดูลักษณะบนที่สูงที่หลังจึงมองเห็นได้แต่คราวนี้นายพาตัดทางมาบนขอบเนินด้านบนนั่นเลยและแกก็ทำหน้าขึงขังตื่นเต้นคราวนี้มาถึงไวมากนะนายทหารแล้วก็สะดวกสบายกว่าคราวก่อนนมากคราวก่อนน่ะมา ก, กันตอนหน้าหนาว หิมะมันคลุมไปหมดแล้วก็ตกพรำทั้งวันเกือบตายกันหมดแล้วเพราะความหนาวดีแต่ที่บุญคามียากินแก่หนาวตำรับโบราณที่พ่อครูบาอาจารย์ให้ไวเอามาแกกันกินตอนเดินลุยหิมะไม่งั้นก็ตายกันหมดแถวบริเวณนี่แหละคราวนี้เรามาถึงในหน้าร้อนอากาศมันก็พอจะค่อยยังชั่วกว่าคราวนั้นเออและนี่พรานใหญ่เขาสั่งให้ลุงคานาไปที่จุดไหนเนี่ย เชิดวุฒิถามพยายามกว่าสายตามองตรวจไปยังภูมิประเทศด้านหน้าที่กำลังเดินกันไปตาคำก็หัวรอะคิๆขึ้นนี่นายทหารสังเกตเห็นอะไรมั่งไหมเนี่ยสังเกตสังเกตอะไรอ่ะลุงก็ก็ ก, กเรากำลังเดินลงไปในระหว่างซอกหรือร่องที่มีเนินปลายด้านล่าง แหลมสองเนินมาประกบชิดกันอยู่นะมันเป็นร่องผากลางต่ำกว่า บ, บริเวณพื้นที่โคกสูงของเนินพระจันทร์ไงเชิดบุธทำหน้าง ง, งขมวดคิ้วอยู่อึดใจก็ลืมตาโพลงฮะมามามาหมายความว่าว่าว่าเรากำลังเดินไต่ลงมาตามใช่แล้วที่อันเป็นตำแหน่งมาหามงคล มีโชคมีชัยที่สุดประเดี๋ยวนายทหารจะเห็นชะ ง, ง่อนหินโผล่ล้ําเป็นจะ ง, งอยขึ้นมาอีใต้ชะ ง, งอนนี่ชะ ง, งอนหินน่ะเป็นทานน้าใสพรานใหญ่ต้องการให้เราไปพักกันอยู่ใต้ชะ ง, งอนหินเหนือทานน้านั่นเพราะมันเป็นที่เหมาะสมมากที่สุดในบริเวณนี้ทั้งหมดครั้งก่อนพวกเราก็มาพักกันอยู่ตรงนั้นแหละร่องรอยคงยังต้องเหลืออยู่เพราะมันเพิ่งจะปีกว่ามานันเอง เดี๋ยวก็คงเห็นแล้วเชิดวุฒิทำหน้าพิพากพ่พ่วนชบโกลพยายามมองค้นหาความจริงบนหน้าของตะคำแต่ก็ไม่เห็นว่แววว่าแกจะพูดโกหกงดเท็อะไรซ้ำยังมองศบตาเขาพยักหน้า ực, งึกมึกเป็นเชิงย้ำคำพูดของแกด้วยลุงคำแล้วแล้วทำไมมันถึงมีลึกอย่างนั้นละน่ะลูกฮอ มากันารพินหรือมากับพวกของบุญคำมันก็มีอะไรพิลึกพิลึกอย่างนี้เสมอแหละทุกอย่างมันพิลึกไปทั้งนั้นแหละสุดแต่พิลึกมากพิลุกน้อยฮะ ฮ, ะ ฮ, ะฮะเออแล้วนี่พรานใหญ่เขารู้ตัวหรือเปล่าหรือว่าลุงคำรู้เองคิดเอาเองปัดโถ ท, ทำไมก็จะไม่รู้บุญคำพองคอทำตาโต แกรู้ทั้งนั้นแหละเว้แวนแต่แกจะไม่พูเท่านั้นแหละผู้มีประเทศบังคับจริงๆนะ่ะนายทหารมันไม่มีที่ไหนจะเหมาะสำหรับการวางตางพักมากไปกว่าตาแหน่งนั้นอีกแล้วนี่เหตุการณ์มันม บ, บีบบังคับเหมือนพระอูมาท่านกำหนดไว้โดยตรงว่าถ้าพวกเองต้องการจะมาถึงที่นี่และต้องการจะขึ้นไปให้ถึงถนนเบสิวะพวกเองก็ต้องมาพักอยู่ภายใต้บารมีของข้าซก่อน ที่นั่นมันสบายมากเดี๋ยวก็ถึงแล้วนู่นไงนู่นไงมองเห็นส่วนบนของชะงอนหินโผล่ขึ้นมานั่นแล้วไม่ต้องกลัวซวยหรอกนายทหารมันมีแต่ความสวัสดีมีมงคลโชคดีแล้วแกก็ชี้มือให้ดูในบริเวณที่ลุ่มอันล่าต่ําลงไปเบื้องหน้าซึ่งมองเห็นชะงอนหินโผล่แผลมขึ้นมาในลักษณะสันฐานที่ประหลาด แต่ความกว้างใหญ่ของสถานที่ซึ่งไม่เปรียบเทียบกับร่างกายกระจจอยร่อยประดุดมดปลวกของกลุ่ ม, มนุษย์ที่พากันเดินไต่ทางลงไปก็เลยทำให้ไม่สามารถจะกำหนดรูปร่างของภูมิประเทศได้ชัดนักซึ่งตาเท่าก็ยังบอกต่อมาว่าอ้ถ้าอยากจะดูให้เห็นชัดว่าขณะนี้เรากำลังเดินอยู่ตรงไหน จะายหน้าไปยังส่วนใดของร่างกายผู้หญิงที่นอนขวางอยู่ก็ต้องกลับขึ้นไปมองดูมาจากหน้าผาสูงที่เรากันอยู่ดูอยู่เมื่อตอนบ่ายนี่แหละนายตาหาเนยแล้วคณะทั้งหมดก็เคลื่อนลงมาถึงตำแหน่งชยภูมิอันรพินกำหนดหมายไว้ให้เป็นที่พักซึ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมสะดวกสบายที่สุดของพื้นที่ทั้งหมด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 เละจันแสดงความดีอกดีใจเป็นพิเศษเมื่อได้มีโอกาสกลับมาเห็นตำแหน่งพักพิงเก่าก่อนที่จะไต่ขึ้นสู่เทือกพระศิวะในครั้งนั้นบรรยากาศของคนฝ่ายรพินทุกคนเต็ไมไปด้วยความปลาโมดปิติปราปลื้มเหลือที่จะกล่าวไม่คิดเลยจริงๆพาวว่าจะได้กลับมาเห็นที่นี่อีกจันผู้กะเกิดและเสย ขณะที่เข้าไปรื้อดูกองฟืนเก่าๆและเศษกระดูกกวางท่อนใหญ่ๆบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ตำแหน่งนั้นเคยรื่นรมสันติสุขและงดงามไปด้วยธรรมชาติเช่นไรก็คงอยู่ในลักษณะเช่นนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่ากิ่งใบของวัชพืชพันไม้ดอกเล็กๆและต้นพปรงโบราณอาจมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมบ้างเล็กน้อยเท่านั้น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 ลงนั่งพักอยู่ริมสายทานน้ำสายเล็กๆที่ไหลรินออกมาจากซ่อโคดหินนั้นเขาก็เข้ามาบอกว่าขอให้ทุกคนพักผ่อนกันให้สบายได้แล้วครับไม่มีอะไรที่จะต้องเร่งร้อนละแล้วคืนนี้เป็นคืนแรมสี่ขั้มพอประจัน์ขึ้นผมจะพาทุกคนกลับขึ้นไปดูภูมิประเทศบนบริเวณเนินประจัน์ข้างบนอีกครั้ง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 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นี้ดูจะเป็นใจเปิดทางให้แกเราโดยตรงเอาละครับพักผ่อนกันให้เต็มที่ครับคริสเบร์ประโยคหลังเขาหันไปทางสองแหม่มสาวซึ่งกำลังกวาดสายตาชื่นชมอยู่กับธรรมชาติแวดล้อมรอบตัวเมื่อถูกเ อ, อ่ยเรียกชื่อทั้งสองก็หันมาทางเขาก็เห็นรอยยิ้มอย่างปราณีคุณสองคนไม่ได้พบหน้า ม, มาสามวันเต็มๆแล้ว ก่อนที่แสงสว่างจะสิ้นไปนี่ถ้าอยากจะอาบน้ำก็เชิญได้เลยครับอ๋อสำหรับค่าวันนี้พวกเราทั้งหมดก็คงจะต้องพึ่งอาหารเม็ดสำเร็จรูปของพวกคุณประทับประทังไปก่อนนะครับแต่ภายในคืนนี้หรืออย่างช้าพรุ่งนี้แะครับผมรับรองว่าจะหาอาหารสดให้ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากครับทั้งสองสาวยิ้มให้กับเขาพื้นพำมขอบคุณเบา คิดร้องถามมาว่าแล้วนั่นดูท่ามอนก็ว่านายกำลังจะไปไหนสักแห่งหนึ่งอย่างนั้นแหละทำไมไม่นั่งอะระพินจอมพรานโบกมือให้ขอเวลาสักสิบนาทีแลยนะคิดจะออกไปสำรวจอะไรข้างล่างของสายทานเส้นนี้หน่อยไม่ต้องกงังวลหรอกที่นี่ไม่มีอันตรายอะไรที่จะต้องคอยระวังมากเพียงแต่ว่าอย่าถึงกับชะล่าใจาประมาทก็แล้วกันเดี๋ยวมา รับรองว่ามาก่อนมือสนิทแล้วเขาก็กวักมือเรียกบุญคำเแล้วพากันเดินลงไปตามเส้นทางน้ำไหลนั้นก่อนจะรับไปตามแง่โขดหินและหมู่ปามปรงเล็กๆที่ขึ้นเรียงรายอยู่ราวกับมือนักจัดสวยนหย่อมอาชีพมาประดับไว้ทางก็ร้องสั่งกลุ่มของจันให้เก็บเอาเศษไม้ของต้นสนภูเขาซึ่งหาได้อย่างอุดมสมบูรณ์ในแถบนั้น มาก่อเป็นกองไฟขึ้นขณะนั้นเชิดบุษ ท, ทำท่าจะขยับตัวมีอาการเหมือนอยากจะตามพราันใหญ่ลงไปด้วยแต่เบนและคริสติน่าชุดมือไว้บุษปล่อยเขาไปตามลำพังก่อนเถอะคุณน่ะอยู่กับพวกเราที่นี่แหละเมื่อนั้นเชิดบุษจึงชะนักมีท่ากระสับกระสายเล็กน้อยบ่นมาว่าไม่รู้ว่าบริเวณนี้ วิดิมือถือของพวกเราใช้ได้หรือเปล่านะแล้วก็ไม่รู้ว่ารพินก็ เ, เปิดเครื่องสแตนบายไว้หรือเปล่าจะได้เรียกหาติดต่อกันได้ดิฉันว่อย่าวุ่นวายไปหน่อยเลยนะาก็คงไม่ไปไกลนักหรอกอาจจะไปตรวจ ด, ดูอะไรบางอย่างแถวๆนี้แหละในฐานะที่เขาเคยผ่านมาแล้วครั้งก่อนรพินก็อย่างนี้ทุกทีแหละวางแคมป์ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องออกไปสำรวจพื้นที่รอบๆทุกครั้ง ตามธรรมชาตินิสัยเขาแหละก็เป็นหน้าที่ประจำเขาอยู่แล้วฉันกระเบนกำลังอยากจะอาบน้ำนี่แทนที่คุณจะเดินตามเขาไปอะ่ะฉันว่ามาทำหน้าที่คอยเป็นเพื่อนเราสองคนเวลาอาบน้ำดีกว่านะอาจารย์กระคิดลงไปนอนแผยอยู่นั่นแล้วอะ่ะคงจะเพลียเต็มที่อะ่ะนอกจากพวกลูกหาบแล้วก็พรานระพินแล้วฉันก็มีแต่คุณเท่านั้นแหละที่ดูจะยังสดชื่นแข็งแรงดีอยู่คริสติน่าบอกมา ระพินจับแขนบุญคำเดินห่างบริเวณที่พักออกมาพอรับตาพวกนั้นบุญคำก็ถามว่า <c oughs> นี่นายจะให้อุบุญคำไปไหนกันเนี่ยระพินยังไม่หยุดเดินแต่ลากแขนบุญคำบ่ายหน้าตามกระแสทานที่ไหลริกริกนั้นก้าวสวบสวบลงไปยังบริเวณพุ่มพงเล็กๆเบื้องล่างนี่บุญคำ ลืมอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วเหรอเมื่อเรามาถึงที่นี่ลืมลืมอะไรไหนแกทำหน้าตื่นตื่นงง ง, งก็สมัยก่อนที่เรามาพักกันอยู่ที่นี่ไงพอเวลาตะวันตกดินไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุมันก็มาจากแง่ทายมันลองของบุญคำมันแหละบุญคาตบหน้าผาผาังนึกได้แล้วโห้ย ดงงวานผีปอบมันมีอยู่ดงหนึ่งต่ำลงไปข้างล่างหนึ่งบุญคำเป็นคนไปจัดการสะกดมันไว้เองไม่ให้มันออกมาเพ่นพ่านรบกวนเราแต้ก็ไม่ก่อนที่มันจะแห่กันมาทำความขวัญหนีดีฝ่อให้นายหญิงกับนายใหญ่เออนั่นแหละมันมีความจำไว้ซะมั่งสิอย่าเอาแต่สับ ป, ปดีสีประดนขนองนะักเนี่ย ฉันต้องการให้คืนนี้เป็นคืนที่สงบสุขที่สุดของพวกเราทุกคนบุญคํามากระชั้ น, นไปจัดการอยให้มันโผล่มาอรารวาดได้แล้วก็กลับขึ้นมาล้อมปริมณฑลที่พักเราไว้ที่หลังนี่ระยะห่างกันปีกว่าไม่รู้พวกมันจะเฉาตายกันไปหมดแล้วหรือว่าจะขยายโดงงอกงามออกไปอีกก็ไม่รู้เราจะไปสำรวจดูมันแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยอย่าให้อะไรมันมาแพร่พานรบกวนได้เลยในคืนนี้ หรือตลอดระยะเวลาที่เรายังตั้งหลักกันอยู่ตรงนี้สมุนขวาคู่ชีพของเขาถูมือเข้าหากันแยกเคี่ยวนายก็รอบคอบดีเหลือเกินให้ตายเถอะบุญคำก็ลืมซะอย่างสนิทมัวแต่ดีใจที่มาถึงที่นี่มาเดี๋ยวบุญคำจัดการเองนายมาด้วยก็ดีแล้วจะได้ช่วยบุญคำทำพิธี ระพินและบุญคำผละลงมาจากที่พักได้ประมาณสัก20สนาทีความมืดโรยตัวลงมาเป็นม่านปกคลุมบริเวณที่พักเพิ่มขึ้นทุกขณะระหว่างที่ทุกคนบนแคมป์กำลังอยู่ในสภาพพักผ่อนิงไฟกันอยู่ก็พากันสะดุ้งขึ้นพร้อมๆกันอย่างตกใจเสียงไรเฟิล น, นัดเนระเบิดกึกกล้องสะเทือนมาในบรรยากาศอันเงียบ มันดังสะท้อนกระหึมไปทั่วภายในบริเวณอันเป็นหุบเขาวกว้างใหญ่แห่งเนินพระจันทร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างหรือพวกลูกหาตลอดจนพลานพื้นเมืองที่เหลืออยู่ในแคมป์เห็นพรวดขึ้นมายืนราวกันนัดกันไวคริสติน่าและอิซาเบลซึ่งกำลังบังมุมเหลี่ยมหินพลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวภายหลังชำระสะสารร่างกายศิษย์ชนักกึกไปอย่างกระทันหันก็ไรขึ้น สองสาวร้องออกมาพร้อมกันพร้อมกับทลันวิ่งัวรวดพลาดออกมาที่ซอกโคตหินขณะที่รูดซิปเสื้อแจ็คเก็ตอย่างรีบด่วนเสียงปืนดังขึ้นเพียงนัดเดียวแล้วก็สงบนิ่งเป็นปัญหาไปอืดใจใหญ่เกิดเสยและจันเงี่ยหูคอยจับซําสำเนียงอื่นใดที่จะแววมาให้ได้อีกแต่ก็เงียบเชียบอยู่ตามเดิมทั้งสามพรานของระพิน คงอยืนนิ่งสงบอยู่ในอาการปกติเช่นนั้นดูไม่มีท่าทีสะดุ้งตกใจหรือเกิดอาการเดือดเนื้อร้อนใจอะไรทั้งสิ่งและก่อนที่สแต ล, ลีคีตหรือเชิดบุตรจะเอ่ยถามคำใดออกไปนั่นเองมิทยุประจำตัวของแต่ละคนที่เปิดสวิตเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วนับตั้งแต่รพิพ์ก้าออกจากแคมป์ลงไปก็ปรากฏเสียงเรียบๆของจอมพราน ดังออกมาว่าเปิดวิทยุสแตนบายกันไว้บ้างหรือเปล่าล่ะครับใครยินตอบด้วยนะครับเราได้ยินเสียงปืนน่ะมีะไรเหรอระพินสแตนลีย์รีบยกวิทยุขึ้นตอบไปโดยเร็วพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติเช่นกันเพราะประโยคแรกที่ระพินถามมานั้นมันเป็นเสียงพูดอย่างธรรมดาที่สุดอันไม่น่าจะแสดงว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้น คือผมอยากจะแจ้งว่าเราไม่ต้องพึ่งอาหารสำเร็จรูปของพวกคุณแลวละครับตอนนี้บุญคำยิงกวางได้ตัวหนึ่งพอจะเป็นสเบียงให้พวกเราไปจนกว่าจะไต่าทางขึ้นเทือกพระศิวะได้ทีเดียวโอ้ยโล่งอกไปทีเชิดบุตรคีดเบ์และคริสติน่าพากันถอนใจยาวออกมาได้เสียงเรียบๆของรพินดังขึ้นมาอีก คราวนี้เขาขอพูดกับสมุนทรายของเขาคือจันสตลลีส่งวิทยุของตนไปให้บอกว่าอ่ะจันแผนใหญ่ต้องการพูดด้วยนะจันรับมากดคีย์ครับนายจันเอาพวกลูกหาบมาด้วยสัก3ามคนนะมาช่วยกันถลกหนังแล่เนื้อบอกให้เสยก็เกิดแล้วก็พวกที่เหลือก่อไฟร้านย่างเนื้อนะเดี๋ยวนี้เลยลงมาได้เลยเดี๋ยวนี้ ไม่ไกลาจากที่พักตรงนั้นหรอกไตลงมาตามสายธารเล็กๆสักร้อยหิเมตรแล้วก็แยกขึ้นเนินมาทางซ้ายมือเนี่ยฉั้นกาบุญคำยรอยอยู่ที่นี่แหละคอยสังเกตไฟฉายแล้วกันสมุนซ้ายของเขารับคำแล้วหันไปบงการโบกเวก็เกิดและเสยจากนั้นก็เกณฑ์เอาพวกลูกหาบกายำได้สามคนพร้อมคานหาบและมีดแหล่พากันเดินลงไปตามเส้นทาร น, น้าไหลทันทีอย่างไม่รอช้า ในขณะที่เกิดและเสยพร้อมทั้งพวกที่เหลือก็ขยายกองไฟขึ้นเพื่อเตรียมไฟย่างทุกคนเต็มไปได้วยความยินดีปรีดาที่จะได้กินอาหารจากเนื้อสดซึ่งขาดกันมาหลายวันละตลอดระยะทางที่เดินกันมาอย่างรีบรุนและไม่พบสัตว์ชนิดใดที่จะเหมาะสมเป็นอาหารได้เลยตั้งแต่เฉียดผ่านทิวปีกครุตมา จันกับพวกลูกหาบอีกสามคนกําลังลงไปแล้วนะระพินว่าแต่คุณเธอะจะกลับขึ้นมาเมื่อไหร่หรือว่าจะรอกลับมาพร้อมกับพวกนี้ละ่ะสตลลีวิทยุถามลงไปอีกซึ่งก็ได้รับคําตอบขึ้นมาว่าผมจะรอคอยพวกนี้ลงมาถึงสัก่อนครับดรและถึงจะค่อยกลับขึ้นไปก็จะทิ้งหน้าที่ของพวกนี้จัดการไม่เสียเวลาอะไรหรอกครับไม่เกินครึ่งชั่วโมง <N> เนื้อส่วนที่ดีที่สุดจะถูกลําเลียงขึ้นไปอยู่บนร้านย่างบนแคมป์ของเราเดี๋ยวพบกันครับไม่ต้องกังวล น, นะครับดีมากกลับมาเร็วๆนะพ่อทุนหัวเสียงคีตพูดแทรกลงไปอย่างอารมณ์ดีแล้วสแตนลีย์ก็ถามต่อไปอว่า <N> นี่รพินตอนนี้คุณอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยก็้ะขีดเป็นเส้นตรงก็คงจะไม่เกินร้อยสิเมตรนะครับ เอ้ยโทษทีบางทีพวกคุณอาจจะไม่สันทั์ในมาตราเมตริกที่ผมนิยมพูดกันเอาเป็นว่าถ้าจะวัดเป็นหลาก็ประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบหลาเท่านั้นแหละใกล้ๆแค่นี้เองครับฟังจากเสียงปืนก็คิดว่าควรจะอยู่ใกล้ๆแค่นี้นะวิทยุที่คุณเรียกขึ้นมาก็ฟังชัดเจนแจ่มใสดีมากแล้วทางคุณรับฟังเราเป็นไงมั่งล่ะครับชัดเจนทีเดียวแหะครับ ก็แปลว่าวิทยุมือถือของเราติดต่อกันได้ดีในหุบเนินพระจันทร์นี่รีบขึ้นมานะระบินทางด้านนี้มีร้านย่างเอาไว้แล้วละ่ะเสียงพรานใหญ่รับคำมาแล้วก็ตัดการติดต่อเงียบไปนาหนึกว่าสองคนน่าจะลงไปไหนที่แท้ก็ลงไปหาสัตว์นั่นแหละคริสติน่าเปลยขึ้นเบาๆแล้วสองคนกระเบนก็มานั่งสางผมผิงไออุ่นของไฟ รวมกับพักพวกจันกับพวกลูกหาบสามคนหายลงไปได้ไม่นานร่างเป็นเงาตะคุ่มของรพินก็เดินสวนกลับขึ้นมาเขาทิ้งบุญคำให้อยู่จัดการกระกวางร่วมกับพวกที่ลงไปสมทบด้วยโดือยย้อนกลับขึ้นมาตามลําพังคนเดียวก่อนเพื่อพวกนั้นหมดความกังวลและนั่นมันหมายถึงว่าทั้งเขาและบุญคำได้ลออไปดำเนินการกระดงวานผีปอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งยังมีเวลาเหลือเฟือที่บุญคำจะเลือกหากวางตัว ง, งามๆตัวหนึ่งจากฝูงที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์บนทุ่งหญ้าเหนือดงว่านขึ้นไปโดยยิงลงไว้หนึ่งตัวเพื่อใช้ประทังชีพซึ่งมันย่อมดีกว่าอาหารเม็ดสำเร็จรูปของฝ่ายนายจ้างมากมายนะอากาศเริ่มเย็นลงอย่างวารวดเร็วจนกลายเป็นหนาวจัด เพียงแรกเริ่มของราตรีที่เข้ามาเยือนขณะที่ทุกคนนั่งรายล้อมผิงไฟอยู่ยังมีอาการคางสั่นกระทบเมื่อเข้ามาถึงกลุ่มจอมพรานเดินเข้าไปรื้อแจ็เก็ตกันหนาวตัวเกา่าคล่ำคร่าของเขาที่กองสัมภาระส่วนตัวออกมาสวมแล้วเข้ามานั่งร่วมผิงไฟอยู่ด้วยโดยนั่งแทรกลางระหว่างเชิดบุตรกคิดไม่มีใครแสดงอาการสงสัยหรือสอบซักถามเขาว่าเขากระบุงคา ลุงคำไปที่ไหนเพื่ออะไรอันเป็นวัตถุประสงค์แท้จริงต่างก็เข้าใจกันว่าเขาลงไปหาสเบียงตามที่วิทยุรายงานขึ้นมาซึ่งก็เท่ากับเป็นการตัดปัญหาไปนี่คำพูดของนายศักดิ์สิทธิ์เสมอนารพินบอกอยู่ตนเย็นหยกหยกนี่เองว่าคืนนี้หรือไม่กับพรุ่งนี้นายจะหาอาหารสดให้พวกเราห่างกันแค่ไม่กี่นาทีนายก็จัดการได้แล้ว คิดบอกมาอย่างชื่นชมสรรเสริญเอา้าก็บอกแล้วไงว่าแถวนี้นะ่ะสัตว์ชุมพอจะหาได้ไม่ยากนะครับมันเป็นภูมิประเทศที่ฉันเคยผ่านมาก่อนก็เลยรับรองให้ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับคําพูดศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกสัตว์มันก็เชื่องเพราะไม่เคยเห็นคนมาก่อนเลยบุญคำในยิงในระยะห่างแค่ห้าสิบหลาเท่านั้นพวกมันยืนให้เลือกยิงก็ได้ตามใจชอบ ใจจริงแล้วฉันก็ไม่อยากให้พวกเรายิงสัตว์อะไรทั้งนั้นในเส้นทางเดินระยะนี้แต่เมื่อมันจำเป็นเพื่อการประ ท, งทังชีพก็ไม่รู้จะทำยังไงได้นี่ระพินตอนได้ยินเสียงปืนตูมขึ้นครั้งแรกน่ะพวกเราตกใจกันแทบแย่เน่เบราว่าฉันนึกว่าคุณกับบุญคำน่ะไปเจอดีอะไรเขาแล้วทิแต่พอกลั้นใจฟังเสียงต่อไปได้ยินเพียงแค่นัดเดียว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 เพราะมันแปลว่าไม่ได้เกิดอันตรายร้ายแรงใดๆขึ้นเป็นแค่ยิงเพื่อล้มสัตว์เท่านั้นแหละและรพินก็เว้นระยะหัวเราะออกมาเ บ, บาๆนิดหนึ่งกล่าวต่อมาว่าแต่ก็อย่าทึ่งถือเป็นกดตายตัวนัดนะคุณอ่นัดเดียวที่ยิงออกไปนะ่ะมันอาจจะเป็นนัดเดียวแล้วก็นัดสุดท้ายของคนยิงก็ได้เพราะหมดโอกาสยิงซ้าแต่แหลกเลี้ยวไปแล้ว พระสัตว์มันอาจจะชารดสวนควันเข้ามาก่อนซ้ํานัดที่สองได้ทันแน่ครูก็ทำตัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยคริสติน่าถามเรียบๆข้ามกองไฟมาเพราะหล่อนกับเบลนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามหมายความว่าไงอ่ะที่ว่าทมตัวอ่ะก็ถ้าเป็นพวกฉันหรือพรานคนอื่นๆก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันในข้อที่ว่ายิงนัดเดียวแล้วก็ถูกสัตว์ ร, ร้ายมันชารจเอาถึงตายไปเลย แต่ถ้าเป็นครูอ่ะมันไม่มีวันเป็นไปได้หรอกฉันเคยเห็นครูยิงอะไรก็ตามอ่ะแต่ละตัวนัดเดียวอยู่กับ ท, ที่ทุกครั้งไปหรือมิฉะนั้นก็เป็นนัดที่สองขณะที่มันสวนชาร์จเข้ามาไม่เห็นเคยยิงมากไปกว่านี้อ่ะครับก็เป็นการดีมากละ่ะที่คุณมีความเชื่อมั่นถึงขนาดนั้นแต่ก็จำไว้นะครับว่าหมอ ง, งูนะ่ะตายเพราะงูพรานป่าก็ต้องตายเพราะสัตว์ป่า ถ้าเขายังไม่เลือกอาชีพพรานป่าซะตะเ่เนิน่นๆแต่พรานผู้มีสัจจะยังครัวไม่มีวันหรอกที่ใครใดในป่าจะมาทำอันตรายได้ฉันแน่ใจแม่ผมทองเน้นเสียงส่งสายตาสีฟ้าเป็นประกายแห่งความหมายเร้นลึกข้ามกองไฟมายังเขาระพินมองศพและชะงักไปนิดนึงต่อมาเขาก็ยักไหล ย, ยิ้มขรึม จับอยู่บนริมสีปากที่เขียวคลึมไปด้วยหนวดคราวอันไม่ได้พบกับมีดกรนมาหลายวันคนที่ยึดมั่นอยู่ในสัจจะสำหรับโลกยุคนี้มันก็คือคนโง่คนเซอร์อย่างหน้าทุเรศที่สุดใช่ไหมคุณคริสติน่าไม่ตอบมองตาเขาเฉยแต่เบนชงโงกหน้ามาบอกยิ้มยิมว่าใช่ ทั้งโง่ทั้งเซอร์ทั้งหน้าทุเรยังหาที่ตีไม่ได้เลยรพินไทรวันก้มศีรษะให้อย่างสงบขอบคุณครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับคำสรรเสริญอย่างนี้ระหว่างที่พวกผู้ชายคือสแตลลีคิตและเชิดบุตรเริ่มรู้สึกอึดอัดไม่สู้จะสบายใจนะ เพราะคำพูดแบบแรงๆของอิสเบรแม่ผมแดงยิ้มพลายเอื้อมมือข้ามกองไฟมาเขี่ยที่ปลายคางเขาระพินเบนหน้าหลบไปได้อย่างนุ่มนวลหล่อนบอกบนหัวเราะมาว่านี่ไพรวันฉันว่าสเสน่ห์อันเร้นลับของคุณมันอยู่ตรงนี้แหละคุณคือโง่เซอร์อย่างมีชั้นเชิงแล้วก็ลึกลำ้ำถูกต้อง มันเป็นความโง่เซอร์ที่คุณจะต้องรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจอย่างยิ่งเพราะมันหาได้ยากยิ่งในมนุษย์บุรุษชายสามันทั้งหลายอ่ะเรามาคุยกันเล่นๆ น, นะไหนๆเราก็เป็นเพื่อนร่วมตายกันมาถึงเพียงนี้แล้วอยากจะรู้จริงๆว่าถมดภารกิจกลับไปถึงบ้านได้คุณจะหันเหไปประกอบอาชีพอะไรนะคิดจุปากเบาๆแล้วก็ขัดขึ้นมา นี่เบลฉันว่าเธอไม่น่าจะไปละลาบและลวงถึงชีวิตส่วนตัวของเขาเลยนะฉันว่าเลิกพูดอะไรที่มันจะก่อให้เกิดความหมุดหงิดสำหรับเขาสัยทีเหอะดรสเตอร์ลีกล่าวเสืิมอม่คนหนึ่งด้วยเสียงคุนคุนระพินยิ้มที่มุมปากโบกมือไม่เป็นไรหรอกคิดดรสเตอร์ลีไม่เป็นไรครับบางเอินคืนนี้ผมมีอารมณ์ปลอดโปร่งเป็นพิเศษ แล้วก็ไม่ได้มีความหงุดหงิดอะไรเลยทั้งสิ้นเบลเองก็เป็นคนตรงไปตรงมาและถือเสมือนว่าผมเป็นเพื่อนของเธอคนหนึ่งผมเองแต่ไหนแต่ไรมาก็เอาแต่อารมณ์เสียเกลียวกราดเหมือนไอ้บ้ามาตลอดผมก็อยากจะเปลี่ยนบุคลิกท่าทีเ็วๆของผมบ้างเหมนอนกันเบลตบมือรองว่าดีดี ด, ดีจริงๆเน่ะนี่คุณก็อุตส่ารู้ตัวเองอยู่เหมือนกันเหรอ เปลี่ยนท่าทีเดิมของคุณได้สักทีแล้วไอชนิดที่หน้าแข็งกระด้างเป็นหินบนหลุมฝังศพเรื่องการแยกเขี่ยวใสพวกเรานะ่ะโอ๊ยเห็นแล้วหัวใจจะวายตายจิตใจแท้จริงของคุณนะ่ะพวกเราทุกคนรู้ว่าเต็มไปด้วยความเป็นมิตรเมตตาอารีแล้วก็กรุณาแต่ลักษณะภายนอกของคุณนะ่ะมันโหดหินเหลือเกินเลิกทาท่าอย่างนั้นกับเราได้แล้วล่ะ แล้วก็ขอร้องเอะนี่นี่ฉันมีของดีงวดสุดท้ายที่จะให้รางวัลคุณด้วยขอมอบให้คุณภายในคืนนี้เลยว่าแล้วแม่ผมแดงก็ส่งกล่องซิก้าเล็กกล่องนึงไปให้เขาพร้อมกับกระติกบันดีอันเหลืออยู่เพียงแค่ครึ่งกระติกให้เขาพยักหน้าขยันขยอต่อมาไม่เห็นเขายังมองดูอยู่เฉยๆก็กล่าวว่าเอา้ารับไปสิ ไม่มีอีกแล้วนะเนี่ยคืนนี้เราเวียนกันดื่มไปหมดก็ติกนี่เลยพวกเราทั้งหมดให้เกียรติคุณดื่มก่อนซิ ก, ก้านี่ก็เหมือนกันเอามานับดูแล้วเราแบ่งกันได้คนละซองพอดีที่ฉันส่งไปให้นี่นะฉันเตรียมไว้สำหรับคุณคนอื่นเขาได้ไปหมดแล้วบอกก่อนนะว่าถ้าคุณไม่รับก็แปลว่าเราไม่รักกันจริง ประโยกหลังหล่อนเน้นเสียงมาอย่างจริงจังหนักแน่นระพินกวาดสายตามองไปยังใบหน้าของนายจ้างเขาแต่ละคนที่มองจับมาอย่างขอร้องก่อนแล้วอย่างเพื่อให้เป็นความพอใจกับบุคคลเหล่านั้นเขายอมรับเอาซิก้าซองนั้นไปใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตและเปิดฝากระติกยกขึ้นกรอกใส่ปากเข้าไปอึกใหญ่ส่งเวียนไปให้เชิดบุตร ทุกคนต่างร่วมดื่มบรนดีจำนวนสุดท้ายนั้นจากกระติกเดียวกันเวียนไปจนทั่วโดยสแตลลีเป็นคนสุดท้ายซึ่งมันก็เกลี้ยงชาดหมดกระติกพอดีหัวหน้าคณะอเมริกันคว่ำกระติกปเปล่าให้ดูกับพื้นรู้สึกว่าพวกคุณมีอะไรที่อยากจะบอกกับผมสักอย่างแต่ยังไม่ได้บอกมีอะไรเหรอครับเขาถามขึ้นพลางเลิกคิ้ว สไตลีมองหน้าพักพวกและเปลี่ยนสายตากลับมาที่เขาอีกครั้งยิ้มยงเปิดเผยระพินผมอยากจะบอกคุณว่าอาหารเม็ดสำเร็จรูปและน้ำเคมีของเราที่เตรียมมาซึ่งเราแจกจ่ายกันประทังชีวิตตลอดระยะเวลาหลายหลายวันที่เราหาอาหารและน้ำไม่ไดนะ้หมดลงแล้ว หมดเกลี้ยงชาตั้งแต่มื้อสุดท้ายเมื่อกลางวันนี้เองเนีย่ยถ้าเมื่อคืนนี้คุณไม่สั่งให้บุญคำยิงกวางก็แปลว่าเราทุกคนอดอาหารกันทั้งหมดเท่าๆท่ากะที่ถ้าบังเอิญคืนนี้คุณหาแหล่งน้ําไม่ได้เราก็อดน้ําเหมือนกันถึงแม้เราจะมีการเตรียมพร้อมมาล่วงหน้าแต่เราก็กะปริมาณผิดเพราะคาดไม่ถึงว่าหุนทางมันจะธุรกันดารถึงเพียงนี้แต่ในที่สุด ก่อนที่เราจะอดตายคุณก็สามารถนําเรามาถึงเนินพระจันทร์ได้พบแหล่งน้ําและยังได้อาหารสดมาประทังทีพนี่มันเหมือนกับว่าพวกเราตายแล้วเกิดใหม่สิ่งนี้พวกเราไม่ได้บอกให้คุณทราบมาก่อนเพิ่งจะมาบอกก็เดี๋ยวนี้แล้วก็อีกประการหนึ่งบนเถือกพระศิวะที่เรากําลังจะหาทางตัดขึ้นใปนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นความพยายามขั้นสุดท้ายของเราแล้ว ชีวิตเราอาจจะดับศูนย์กันอยู่บนนั้นเพราะมันเป็นหนทางที่เสี่ยงที่สุดยิ่งกว่าทุกเส้นทางที่เราเดินกันมาแล้วก่อนจะถึงเนินพระจันทร์พวกเราทั้งหมดท้อแท้ทอดอัะไรกันหมดแล้วคิดแต่เพียงว่าวาระสุดท้ายของชีวิตนะ่ะต้องมาถึงแน่แต่ในที่สุดคุณก็สามารถนำทางให้มาถึงได้พร้อมทั้งได้น้ำแล้วก็อาหารพร้อมกันมาด้วยซึ่งก็แปลว่า คุณสามารถต่อชีวิตให้พวกเราได้ทั้งหมดอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยรัพินไทรวันขมวดคิ้วนี่เป็นสิ่งที่เขาเพิ่งทราบโอ้โอ้เขาอุทานออกมาผมขอแสดงความนับถือในน้ำใจอันหนักแน่นทรหดและเจี๊ยบขาดของพวกคุณอย่างแท้จริงครับที่ไม่ได้บอกถึงภาวะวิกฤตขีดสุดชนิดนี้ ให้ฝ่ายของผมต้องตกใจขวัญเสียใดๆเลยแต่ถึงยังไงเราก็ผ่านวิกฤตการณ์นี้มาได้แล้วอย่างบุดวิดที่สุดนี่ผมไม่รู้เลยนะว่าอาหารสำเร็จรูปและน้ำเคมีของเราหมดแล้วเพราะพวกคุณไม่ยอมบอกซ้ายังมีกำลังใจที่จะเดินมากับพวกผมโดยไม่ได้แสดงความพรั่นพรึงย่อท้ออะไรให้เห็นเลยแสดงว่าทุกคนมีความกล้าหาญ เด็ดเดียวสุดยอดเกินกว่าที่ผมคาดคิดซะอีกเนี่ยระพินนายคงไม่ตาหนิพวกเรานะที่ไม่ได้บอกให้รู้ในเรื่องเนี้ยคิดถามขึ้ขึ้นจริงจังอ้ยไม่มีอะไรที่จะต้องตำหนิหรอกตรงข้ามกลับนับถือใจซะอีกด้วยซ้าไประพินกล่าวอย่างจริงใจยิ้มให้กับทุกคนพวกนายนะ่ะไม่ได้ให้พวกชั้นเดินมาฝ่ายเดียว แต่พวกนายก็เดินมาพร้อมกันด้วยแบบนี้หากจะมีการอดอาหารหรืออดน้ำตายขึ้นมาก่อนก็คือฝ่ายของพวกนายนั่นแหละซึ่งมันก็แปลว่าฝ่ายของพวกนายทุกคนใจถึงแล้วแต่ผมไม่รู้เรื่องนี้ด้วยเลยนะครับพี่เขาไม่ได้บอกผมเหมือนเหมือนกับที่เขาไม่ได้บอกพี่อะแหละเชิดบุตรเอ่ยขึ้นมาในทันทีนั้นรพินก้มหัวลงนิดหนึ่งครับผมทราบครับ ทั้งสี่คนนี่ถ้าบอกให้คุณบุตรรู้ก็เท่ากับฝ่ายของผมรู้ด้วยนั่นแหละพวกเขาสี่คนที่คุมคลังสัมภาระที่เอาติดตัวกันมานะ่ะรู้กันเฉพาะในหมู่พวกเขาเท่านั้นแล้วก็จับว่าเสี่ยงอย่างยิ่งที่ฝากชีวิตไว้กับผมทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าอาหารสําเร็จรูปน่ะหมดไปแล้วแต่เหตุการณ์มันก็ประจวบเหมาะพอดีที่เราถึงเนินพระจันทร์ซะก่อนเอาละครับเราลืมเรื่องนี้ซะได้ไม่ต้องพูดถึงมันอีก ผมรู้ว่าทุกคนเตรียมตัวตายกันแล้วทั้งนั้นแม้จะมาถึงเนินพระจันทร์นี่แล้วก็ตามสังเกตดูท่าทีคำพูดของด็อเตอร์สแตลลีเมื่อครู่นี้กับอาการคุยเล่นแบบแปลกๆของเบอนอะแล้วเขาก็หันไปยิ้มกับอิสเบร์ถามว่าไหนเบนตะกี้คุณถามผมว่าไงนะก็ฉันถามว่า ถ้าคุณรอดตายไปได้กลับถึงบ้านน่คุณจะไปประกอบอาชีพอะไรต่อไปจอมพรานผู้ยิ่งใหญ่ยกมือขึ้นลูบปลายคางมองสบตาอีกฝ่ายอย่างสนิทใจผมอยากจะบอกพวกคุณว่าผมน่ะเบื่ออาชีพพรานไพรของผมเนี่ยเต็มทีแล้วและผมผมก็พอจะมีทุนอยู่บ้างจากค่าจ้างที่พวกคุณให้มาแล้วบางทีผมอาจจะหันไปทำไร่หรือประกอบ การค้าขายเล็กๆน้อยๆในท้องถิ่นที่ผมอยู่นั่นแหละชีวิตของผมนะ่ะมันเป็นชีวิตง่ายๆอยู่แล้วไม่เสา ะ, ะแสวงหาอะไรที่มันเกินสถานภาพของตัวเองหรอกสิ่งที่ผมต้องการก็คือเลิกข่าสัตว์ตัดชีวิตซะทีนี่คือสิ่งที่ตั้งใจไว้ครับคําตอบอย่างง่ายๆสงบสงี่ยมและออกมาจากแก่นแท้จริงใจของเขาทําให้ฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งหมด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 ที่เห็นชาบอยู่ในบุคลิกภายนอกทั่วๆไปนั้นแท้จริงชายคนนี้เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและมีอะไรที่น่าสงสารเกินกว่าที่จะคิดไปถึงได้แต่ก็ไม่ก่อนหน้าที่จะได้มาใช้ชีวิตผูกพันร่วมเป็ น, ร, ปนร่วมตายกันอย่างสนิทชิดเชือ้ออันทำให้สามารถมองทะลุแทงตลอดไปถึงธาตุแท้แก่นในของเขาได้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 โดยเลือกเอาบริเวณที่เป็นเนื้อดีที่สุดย่างด้วยกองไฟกองไฟอันก่อให้มีเปลวอีกส่วนที่จะใช้เป็นสเสบียงกลางอันประกอบด้วยท่อนโต โ, โตก็ย่างด้วยไฟรุมวางทับด้านบนไว้ด้วยใบยสนเพื่อค่อยๆ อ, อบให้ระอุซึ่งอาจจะใช้เวลาตลอดทั้งคืนและไฟกองนั้นก็จะใช้เป็นไฟผิงไปในไปในตัวด้วยชั่วไม่นาน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 ท้องฟ้าด้านหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏแสงสว่างเรืองของจันข้างแรมอ่อนๆสาดขึ้นมาจับเหนือทิวเขาและค่อยๆปรากฏเด่นชัดขึ้นทุกทีดุจเทพเจ้าค่อยๆสาดส่องโคมสวรรค์ลงมาอาพื้นภูมิประเทศภายในบริเวณเนินพระจันทร์ที่มืดสนิทมันเป็นเวลาเดียวกับที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนรับประทานอาหารเสร็จพอดี ระพินลุกขึ้นยืนคว้าไรเฟิลกระไฟฉายประจำตัวเดินลงมาที่กลุ่มนายจ้างที่นั่งสูบซิก้าสนทนากันอยู่เบาๆพร้อมก็เอ่ยขึ้นว่า <c oughs> เดือนขึ้นแล้วล่ะครับผมอยากจะขึ้นไปสำรวจดูอะไรบางสิ่งบางอย่างบนบริเวณเนินพระจันทร์อย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อเย็นนี้เอาเป็นว่าถ้าพวกคุณยังไม่อ่อนเพลียกันจนเกินไปนักจะไปกับผมด้วยก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าอยากจะพักผ่อนก็เชิญได้ตามสบายครับทุกคนของฝ่ายนายจ้างขยับตัวยืนขึ้นมาทั้งหมดเราจะไปกับคุณด้วยหัวหน้าคณะอเมริกันบอกสั้นๆในขณะที่เบร์และคริสติน่าหันไปคว้าปืนประจำมือมาจากกองสัมภาระเชิดวุฒและคิดก็ระเตรียมตัวอย่างรวดเร็วไม่มีใครแสดงอาการว่าจะขออยู่ในเฉพาะที่พักระพินเตือนให้ทั้งหมดสวมเสื้อกันหนาว และสั่งการไปทางบุญคํากับพวกลูกหาบทั้งหลายโดยบอกว่าจะขึ้นไปบนเนินพระจันทร์สักครู่กําหนดสั่งให้พวกนั้นอยู่เฝ้ารวมกลุ่มกันเฉพาะในที่พักเท่านั้นตาคำน่ะทำท่าอยากจะติดตามเขาขึ้นไปด้วยแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตบุญคําอยู่กับพวกนี้แหละไม่ต้องขึ้นไปหรอกฉันขึ้นไปไม่นานเดี๋ยวก็กลับระพินกําชับแล้วออกเดินนําหน้ากลุ่มนายจ้างทั้งหมดห้าคน ไต่ทางย้อนกลับขึ้นมายังบริเวณที่โคกสูงของทุ่งหญ้าเหนือบริเวณอันเป็นตำแหน่งวางแคมป์พักอยู่ในขณะนี้ท่ามกลางลำยองแสงผ่องสกาวของดวงจันทร์ข้างแรมสี่ข่ำซึ่งสาดสว่างเรืองรองไปทั่วสามารถมองเห็นภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมได้อย่างถนัดชัดเจนพอสมควรโดยไม่ต้องใช้ไฟฉาย พอพ้นที่พักออกไปได้เล็กน้อยระหว่างที่จะไตขึ้นเนินระพินก็หยุดรอทุกคนเพื่อจะได้เดินรวมกลุ่มไปพร้อมๆกันต่างเดินกันไปพลางสนทนากันไปพลางโดยจอมกุเทศไม่มีท่าทีแสดงอาการเร่งร้อนรีบด่วนใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะเดินไปตามสบายอืมเดือนสว่างแล้วเกินนะคืนเนี้ย ท้องฟ้าก็โปร่งดีด้วยสินี่มันข้างขึ้นข้างแรมยังไงกันเนี่ยผมไม่ได้ดูปฏิทินมาหลายวันแล้วสเตลีเอ่ยขึ้นด้วยอารมณ์แช่มชื่นเป็นสุขอันบังเกิดขึ้นชั่วขณะเมื่อแงน้าขึ้นไปมองจับอยู่ที่ดวงเดือนอันลอยอยู่เหนือทิวเขาด้านตะวันออกลักษณะเกือบจะกลมโตมีรอยแหว่งวาวของมุมส่วนหนึ่งไปบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คืนนี้เป็นคืนแรมสี่ข่ำของวันที่สิบเจ็มีนาคมครับเออแล้วทำไมพระจันทร์ถึงเป็นดวงใหญ่กลมโตอยู่ยังก็ขึ้นสิมาหคข่ำอย่างนั้นนะเสียงเบลเอ่ยขึ้นเหมือนรำพึงโดยไม่ได้มีเจตนาจะตั้งเป็นคำถามสำหรับใครครับพวกคุณอาจจะมีชีวิตกันอยู่แต่เฉพาะในเมืองภายใต้อาคารคอนกรีตบังมาตลอด ก็เลยไม่มีโอกาสได้สนใจกับธรรมชาติมากนะักพระจันทร์ข้างแรมอ่อนๆเนี่ยจะมีดวงขนาดโตและสวยกว่าตอนข้างขึ้นแก่ๆซะอีกนะครับโดยเฉพาะแรมหนึ่งขัดวงจะกลมสนิทแล้วก็ใหญ่กว่าขึ้น15ข้าข้ซ้ำไปซ้ำยังมีรัศมีที่นวลใหญ่กว่าและนี่ก็เพิ่งจะแรมสี่ขั้ดวงก็เลยยังใหญ่อยู่สำหรับคืนนี้โชคดีมากนะครับที่ไม่มีหมอกปกคลุม ทำให้เรามองเห็นอะไรต่ออะไรไปได้กว้างไกลในภูมิประเทศอันเป็นทุ่งโล่งไม่มีป่าทึบเข้ามาบางังผิดกระทุกแห่งที่เราผ่านมาแล้วครับเสียงราบเรียบของจอมมกคุเทศบอกมาชนิดที่ไม่มีใครสามารถจับอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆของเขาได้เลยครูเป็นคนที่ชำนาญต่อธรรมชาติมากนะคริสติน่าเอ่ยขึ้นเบาๆขณะที่กวาดสายตาไปรอบๆตัว ภายใต้แสงจันทร์อ่อนนุ่มก็คงจะเหมือนเหมือนกับที่พวกคุณชำนาญต่อวัตถุประดิษฐ์นั่นแหละครับชีวิตพรานป่าไม่รู้จักธรรมชาติมันไม่ได้หรอกครับก็เลยทำให้รู้จักสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ไม่แน่เสมอไปนักรอกเพราะหลายต่อหลายครั้งผมถามตัวเองว่าชีวิตน่ะเกิดมาเพื่ออะไร แต่ผมก็ค้นหาคําตอบไม่ได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของครูเองอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับผมไม่รู้หาคําตอบไม่ได้ว่าชีวิตผมน่ะเกิดมาเพื่ออะไรงั้นให้ฉันตอบให้ไหมครูได้สิถ้าคุณสามารถคริสครูคะทุกชีวิตในโลกเนี่ย เกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าทั้งนั้นล่ะค่ะคริสคุณรู้ปรัชญาทางตะวันออกมากทีเดียวนะทั้งๆ ท, ท, ที่คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ของโลกตะวันตกอันเต็มไปได้วยวัตถุธรรมนี่นี่สองคนนี้เลิกพูดอะไรกันเป็นรหัสที่พวกเราฟังกันไม่เข้าใจสัทีได้ไหมนี่เราเดินมาด้วยกันเป็นหมู่คณะทั้งหมดนะไม่ใช่มีแต่คริสตินาครูบิลกับรพินไพรวัน เดินมองตากันเศร้าๆอยู่ในแสงจันทร์ตามลำพังสองคนเท่านั้นอะอะไรกันอิสเบียนทะลุกลางปล้องขัดขึ้นเบลคุณเป็นคนฉลาดมากอีกคนหนึ่งในคณะของคุณแต่เป็นคนไม่สํารวมสุภาพบุรุษไพรหันไปกล่าวกัล่อนอย่างสุภาพพร้อมทั้งยิ้มให้แม่ผมแดงหัวเราะเสียงใสชอบอกชอบใจ ส่งเสียงบอกมาปนหัวเราะว่าเฮ้ยคนไม่สำรวมอย่างฉันน่ะไม่มีรับลมคมในอะไรที่จะต้องทําให้คุณลำบากใจหรอกนะดูหน้าก็เห็นหน้าดูหลังก็เห็นหลังไม่มีสิ่งซ่อนเร้นแอบแฝงหรอกแต่ปากเสียทําให้ระคายโสดคนฟังแล้วก็บางทีกลายเป็นหยาบคายหน้าด้าคริสติน่าสวนมาด้วยเสียงเบาๆแต่กระแสเสียงนั้น คมเฉียบฟักเสียงในคิดร้องลั่นออกมาอย่างรำคาญ